พูดคุยกับชาวค ณ, ณะสาธาณสุขก็ต้องคุยกับเรื่องความสุขก็จะมีเรื่องความสุขมาพูดคุยสู่กันฟังเพราะว่าเรื่องความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาชีวิตเราในะมีกายกับใจความสุขท่า่างกายก็คือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีความสบาย อันนี้ปัญหาร่างกายไม่เกิดขึ้นส่วนความสงขทานจิตใจนั้นก็คือจิตที่เป็นปกติมีสัมมาทิฏฐิอาศัยภาษาพระหน่ยนะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเนี่ยสองอย่างเนียถ้าร่างกายเป็นปกติไม่มีร่วงไปขัดจีบเบียดเบียนจิตใจมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องรักษาใจใเป็นปกติแล้วก็ชีวิตจะมีความสุขสมบูรณ์แบบ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 จิตใจป่วยหนอา ก, กาวบางทีซ้ำเติมให้กายป่วยหนักก็อีกป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไปว่าอะโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันตรเติาทุกคนได้ยินนะได้ยินบ่อยๆเป็นพาสิทธ์หล่ๆแต่ว่าพระองค์ทรงเน้นเรื่อง สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญโรคทางจิตเป็นเรื่องสำคัญโรคทางจิตนี่แหละถ้าใครไม่มีได้เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐโรคทางจิตคืออะไรคือโรคของกิเลสอนะราคะโทสะโมหะเนีย่ยเป็นโรคอย่างยิ่งราคะคือความกำหนัดยินดีเมื่อได้กระทบกับ สิ่งที่มาทางตาเท่นรูปเสียงทางหูกลิ่นทางจามูกรสทางลิ้นสัมผัสทางด้านร่างกายและจิตใจที่นึกคิดในสิ่งที่ทำให้กำหนักยินดีเรียกว่าราคะถ้าปราศจากราคะแล้วแล้วก็สุขภาพจิตดีนะไม่เป็นโรคางานคือโทสะ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 โอโหใจมันปรุงแต่งไปมากเลยพยาบาลถือเข็มมายังไม่ทันฉีดยาเลยโอ้ใจมันคิดไปมากไหมเจ็บอย่างโน้นเจ็บอย่างนี้ที่จริงไม่ได้ฉีดเราฉีดเตียยข้างข้างเพราะใจเนี่ยมันปรุงแต่งมากเพราะั้นผมว่าใจเนี่ยน่าจะต้องรักษาก่อนโรคกายบางทีรักษาใจแล้วเนี่ยบางทีกายไม่รักษาแล้วโรคมันหายไปก็ได้แต่คนทั่วไปเนี่ยมุ่ง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 แต่หมอโรงพยาบาลเนี่ยเไม่ค่อยคุ้นเยกับเราบกงทีก็ไม่ค่อยคุยกับเราท่านก็ช่วยดีหมอชาวบ้านแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าได้ความรักแต่จิตใจเนี่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ร่างกายมันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ทั้งสองแผนเลยใช้ไม่ได้เลยแผนปัจจุบันแผนโบราณผมรักษาแผนโบราณมาถึงห้าปีรถน้ามัน เข้าทรงสะดาะเคราะต่อชตาดูหมอให้หมอดูบ้างดูหมอบ้างสารพัดอย่างหมดสงสัยเรื่องสยศาสตร์มันช่วยทนานจิตใจรู้รลยว่าสยศาสตร์ช่วยได้จิตใจไม่มีอำนาจทำให้เราหายจากความทุกข์ได้ในโสลึกใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่สองแผนนี่ใช้ไม่ได้เลยสหรับ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 คือมาสนใจธรรมะอาศัยธรรมะโอสถ ร, รักษาจิตใจดูบ้างร่างกายนี่ใครก็รักษาไม่ได้หมอเทวดาก็ไม่เจอลองมารักษาจิตใจดูอาศัยธรรมะโอสถนี่ก็ได้รู้จักกรลุ่พ่อคาเขียนสุวรรณโนที่อยู่ที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชยัยภูมิรู้จักท่านทางหนังสือนะ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 ให้ฝึกสติอยู่ที่บ้านนะผมไม่ได้เริ่มต้นที่วัดนะเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมที่บ้านอยู่ด้วยกันมีพ่อมีแม่มีผมสามคนอยู่ที่บ้านจังหวัดนะครสวรรค์ท่านสอนธรรมะทางจดหมายให้ผมจเจริญสติการทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะไม่นิ่งหรอกไายใครพอเริ่มทําแล้วนิ่งเลยบ้างมันจะไม่นิ่งเงมันจะคิดตามธรรมชาติของมันจะคิด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 ขยันรู้สึกเลยว่าการภาวนาได้ยินเขาว่าภาวนาไหมภาวนานี่ยไม่ใช่บนพืมนปั๊มหน้าพุทโตพุทธโตยุดหน่อพองหนอไม่ใช่ภาวนาคืออะไรคือขยันรู้สึกทําให้จิตมันเจริญเรื่อว่าภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญพระ่างกายก็ตามอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยทํางานขนาดนี้แล้วยังไม่เจริญเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาดูซิภาวนาแปลว่าเจริญ ชื่อนะภาวนาเนี่ว่าจเจริญภาวนาคือการขยันรู้สึกมันคิด ก, ก็รู้สึกมันสงบก็รู้สึกให้รู้สึกตัวไว้แล้วก็อันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกอย่างเลยคอรู้สึกตัวทำอยู่างนี้แหละผมก็ทำอย่างนี้แหละพอเรามีความรู้สึกตัวมากๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันตังข้ามกับความหลงลืมตัว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 เห็นว่าตัวเราเนี่ยมันแค่ก้อนธรรมชาติมันเป็นรูปเป็นนามได้คำว่ารูปนามไหมรูปคือร่างกายเนี่ยคือรูปนามคือจิตใจที่มันรู้สึกนึกคิดคเครียกว่ารูปนามแล้วก็สมมุติว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นตัวเราเพื่อจะทำหน้าที่โดยสมมุติในทางโลกมันเริ่มเห็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นตัวเราเนี่ยเป็นเพียงแค่รูปนาม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 S 1> <S 1> ใช่ไหมเพราะหลับตานิ่งแต่ถ้าฝึกสติเนี่ยงูเลยมาก็รู้เพราะไม่ต้องหลับตารู้รอบๆรู้ทุกอย่างจะมีสมาธิร่รวมด้วยอันนี้ขนาดฝึสติเริ่มต้นนั้นเดินมาอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมาเริ่มเบาสบายแล้วมันจะเห็นส่วนหนึ่งของจิตใจของเรามันจะเริ่มเห็นใจของเราแล้วท่านรู้ไ้มใจตรงไหน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 ไหนลองกระพริบตาที่กระพริบตาเล่นรู้สึกตัวไหมใจอยู่ตรงนั้นอ่ะลองพลิกมือเล่นที้พลิกมือพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือความรู้สึกรู้สึกตัวไหมใจอยู่ตรงนั้นใจเนี่ยอยู่หลายที่นะแต่ไม่ได้หลายใจนะใจเดียวแต่มันไปนทำหน้าที่หลายแห่งมีใจเดียวคือรู้ถูนิ้วมือก็รู้สึก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 เพราะจิตมันเริม่มหาเรื่องให้เป็นทุกข์แล้วเพราะกาสติควบคุมจิตที่อยู่กับปัจจุบันคิดดีเป็นทุกข์ไหมแนใจแลวคิดดีแล้วเป็นทุกข์เคยไหมถ้าเราคิดดีถ้าจิตยังยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าเราปรารถนาคนที่เรารักเขาเนี่ยให้เขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ดีที่เราคิดเนี่ยใจยเป็นทุกข์แล้วเราสาแนะนาเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อเรา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 เป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดไหมไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดไอ้เรื่องที่อยากจํากับลืมไอ้เรื่องที่อยากลืมกับจำไอ้ควคิดแบบ น, นี้หลวงพอ่อคำเกียะเรียกว่าความลักคิดโอ้มันตรงมากเลยลักคิดขโมยคิดอยากข้ามวันข้ามคืนโกรธข้ามวันข้ามคืนเคยไหมยอยากดูเหลือเกินโอ้ฟุตบอลแมตต์นี้นี่น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 เส้นมีเส้นใหญ่หมูเนื้อน้ำผงชูรสก๋วยเตี๋ยวก็เป็นสังขารคือการปรุงแตง่งใจเราก็เช่นเดียวกันมันคิดรักคิดชังคิดโกรธมันปรุงแตง่งเหมือนทีวีที่เปิดอยู่เรื่อยๆทีวีนี่มีอะไรไหมมมีอะไรหรอกมันปิดอยู่คือทีวีแต่พอเปิดแป๊บนึ่เดี๋ยวมันมีเรื่องแล้วใช่ไม้มใจเราก็เช่นเดียวกัน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 แสดงว่าขาดสตินะถ้าขาดสติเนี่ยแสดงว่ารู้แล้วจะต้องทําตามที่คิดแต่ถ้ามีสติเนี่ยรู้แล้วเนี่ยจะระงับเลยถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษทําให้เดือดร้อนหยุดทันทีสติจะสามารถยับย่างตงกันได้เมื่อจิตมันฝึกดีแล้วเนี่ยจิตจะไม่เครียดนะคนมีสตินี่จะไม่เครียดจะมีแต่ความผ่อนคลายแล้วการทํางานเนี่ยทําด้วยสตินี่ยจะไม่ค่อยเครียดนะ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 เหมือนอย่างเราได้พบสิ่งสิหนึ่งที่เราสแสวงหามาแล้วก็ไม่ต้องสแสวงหาอย่างอีกแล้วเหมือนอย่างเราสแสวงหาผู้หญิงสักคนหนึ่งบางคนทํำงงเลยแสวงหาผีสักคนหนึ่งที่ถูกใจเราเดนนี้พบแล้วสวยที่สุดรวยที่สุดความประพฤติดีที่สุดแล้วก็ฉลาดที่สุดไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนอีกแล้ว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 ผมจะเรียกว่าสาลคิดสารพิษก็คือสารคิดถ้าไม่คิดจิตไม่เครียดถ้าคิดเมืเ่อไหร่เครียดเมื่อ้รแต่ถ้าคิดอย่างมิสติเอาชนะความเครียดได้ทีนี้เวลาขับสารพิษเนี่ยด้านร่างกา ย, ยอาจจะทานอาหารเพื่อสุขภาพผมเคยไปอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะวัดป่าสุกโตเนี่ยจะมีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไปปฏิบัติเรื่อง ย่าดิธรรมบางท่านเนี่ยอยู่ไปไดิบะธรรมแล้วก็ขับสารพิษในนั้นร่างกายด้วยอดอาหารสิบวันคือไม่อดเลยเหรอกคือทานเฉพาะกล้วยน้ำนํำว้าน้ํามะพร้าวทานน้อยๆเป็นการขับสารพิษทนนั้นร่างกายสิบบันท้าทายตัวเองทําได้ด้วยร่างกายในสู้ผอมแต่จิตใจในสดชื่นไม่เป็นอะไรนะน้ําหนักลดลง สู้พอไม่หน่อยแต่จิตใจสดชื่นเพราะอะไรเพราะขับสารพิจาล่างกายออกและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาปฏิบัติทำจติตติให้สติสัมชัญญะเนี่ยขับสารพิจาณาจิตใจทําได้สติธรหน้ที่ขับสารพิจารณจิตใจการขับสารพิธนี้ไม่ได้ไปทําอะไรมากนะแค่มีสติรู้ว่ามันคิดรู้เฉย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 เกิดแผ่นดินไหวโอ้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยวิ่งหนีหมดเลยอลหม่านเลยอาจารย์จะลุกวิ่งก็ไม่กล้าลุกวิ่งกลัวจะเสียภาพพระอาจารย์หมด <c oughs> ก็เกยนนั่งซดน้ําชาที่จริงใ จ, งจงอยากจะวิ่งนะแต่ไม่กล้าวิ่งก็รู้สิษยก็ตําตหนิเอาก็หลังจากวันนั้นผ่านไปสามวันไม่เกิดอะไรขึ้นรู้สิษก็มาถามว่าอาจารย์ครับจิตที่นิ่งไม่ไหวตริงเนี่ยคืออะไรครับลูกศิษย์ถามนะอาจารย์ก็ได้ทีเห็นไหม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 ทำได้สองอย่างในที่เดียวกันเลยอยู่ที่ทํางานก็ทําได้บางคนบอกว่าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์พุทธากล่าวไว้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการทําหน้าที่ทําหน้าที่ไปเพราะประการปฏิบัติธรรมรักษาใจเป็นปกติคือการปฏิบัติธรรมทำที่ข้งน้อยดีที่สุดคือการปฏิบัติหน้าที่สองอย่างเลยจะได้สองอย่างในที่เดียวกันเลยงานก็ได้ใจก็ดี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 บางคนนได้แต่ใจแต่ไม่ได้งานดีไหมไอ้นั่นก็เม็นใจของเราไอ้นี่ก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไอ้นี่ควจะปล่อยวางไม่ทำอะไรเลยใจดีแต่ว่างานเละแต่ตัวเองก็เป็นอย่า ง, งานั้นเหมือนกันนะตัวผมเองผมทำอะไรไม่เป็นทำใจอย่างเดียวจึงไม่ค่อยมีผลงานอะไรทำใจไม่ทุกอย่างเดียวเพียงพอแล้วอยู่ที่ใจเป็นสำคัญถ้าจิตดีเนี่ยมันช่วยรักษากายให้ดีด้วย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 มีสติปัญญารักษากายรักษาจิตให้พ้นเจจากความทุกข์แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด